ท่านกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องการุณาโทรกลับมาอีกครั้งใน30นาทีนะคะคนโทรมาคำรามก่อนที่จะวางปูไปว่าเฮ้ยเขาจะตายภายในส0นาทีนี่แหละ20สินาทีต่อมาเมื่ออาตมาออกมาจากห้อง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 เขากำลังจะตายอาตมาไปเยี่ยมเขาเมื่อวานซืนและคาดว่าจะได้รับโทรศัพท์จากคู่ขาของเขาเมื่อใดก็ได้อาตมาจึงเดาได้ว่าโทรศัพท์นั้นความจริงหมายถึงใครมันไม่ใช่อาตมาที่จะตายภายใน30นาทีหากแต่เป็นชายหนุ่มผู้ป่วยด้วยโรคเอดต่างหาก